สิขาบทที่10เรื่องพระชัพพคี6ก8สีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจชั ป, ปะคียืนแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งอยู่พระบัญญัติ10พึงทำความสำเนียกว่าเรายือนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่เรื่องพระชาคีจบ สิกขาบทวิพังภิกษุยืนอยู่ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่พิกูตใดไม่เอื้อเฟื้อยืนอยู่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ต้องอบัติทุกกดอนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นพิกษุไม่จงใจ2อพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกลจริต7จ็ดิสูตต้นบัญญัติ สิขาบทที่สิบจบ